พวกเราทุกๆท่านเรื่องจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างมากพวกเราทุกท่านมาคราวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนิสิตนักศึกษามาบวช <c oughs> ในครั้งนี้ก็ เ, เพื่อศึกษาในภาคปฏิบัติศึกษาเรื่องพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปด้วย ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้ง2องอย่างถ้าเราเรียนแต่ปริยัติอย่างเดียวก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนกับเราเรียนทางทฤษฎีแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าพวกเราลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยได้เห็นผล ในการปฏิบัติของเราผลแห่งการปฏิบัติของเราที่ลงมือระหว่าปฏิเวศผลแห่งการปฏิบัติแต่ถ้าพวกเรามีแต่การศึกษาเราเรียนเหมือนกับเราเรียนแพทย์เรียนหมออย่างนั้นพอเรียนหมอจบแล้วเราไม่ลงมือปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติก็ไม่เกิด ต่างว่าเราเรียนหมอจบแล้วเราลงมือปฏิบัติรักษาคนไข้ตามหลักวิชาของหมอที่เราได้เรียนมาจากนั้นผลแห่งการรักษาคนไข้ระบบปฏิเวชระบบปฏิเวทธรรมเพราะนั้นปริยัตปฏิบัติปฏิเวช เป็นมาเป็นของคู่กันจะปฏิเวทอย่างเดียวโดยท้ไม่มีปริยัติก็ไม่ได้ถ้ามีแต่ปริยัติไม่ปีปฏิบัติก็ไม่มีผลคือปฏิเวทถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังเข้าใจง่ายปริยัติก็เหมือนกับเราเคี้ยวอาหารอมอยู่ในปาก ปฏิบัตินะั้นคือกลืนเข้าไปในท้องปฏิเวศคือผลอาหารที่ตกในกระเพาะทำให้ร่างกายแข็งแรงหายเหนื่อยร่างกายจดชื่นเหมือ น, นเราทานอาหารอิ่มอย่างนั้นคือผลของการทานอาหารผลออกมาจากร่างกาย แต่ถ้าว่าเราเรียนปริยัาตมีแต่อมว้เฉยๆถ้าว่าเราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้เกืนลงกระเพาะอาหารก็คายทิ้งซักร่างกายก็ไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับความสุขสบายประยัาต์ก็เหมือนกันที่เราเรียนตำรับตำราจากครูบาอาจารย์จากหนังสือ แต่เราไม่ได้ปฏิบัติก็รักษณะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นของคู่กันและเป็นมาด้วยกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติในครั้งนี้ผมจึงเน้นหนักหนาอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์ลงมือประพฤติปฏิบัติ จะเดินจะกรมนั่งสมาธิภาวนาขอให้ทําสม่ําเสมออย่างที่ผมเคยพูดแล้วว่าการปลูกต้นไม้ต้องดูแลรักษาให้สม่ําเสมอไม่ใช่ว่าปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ดูแลปุ๋ยไม่ได้ดูแลน้ําไม่ได้ดูแลดินฟ้าอากาศอากาศปลอดโปร่งพอไหมหรือว่าแดดเผาจนเกินไป ถ้าเผาจนเกินไปก็ต้นไม้ตายได้ถ้าไม่มีอากาศเจริยอยู่ในในที่มืดที่อับต้นไม้ก็ขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันภาคปฏิบัติก็ลักษณะอย่างนั้นเมื่อปลูกต้นไม้เมื่อตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราก็ต้องดูแลประคับประคองสม่ําเสมอแต่ละวันแต่ละเวลา พยายามทำให้มากเจริญให้มากผลแห่งการเจริญในสติก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เรื่องการภาวนาสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่เคยพูดและเคยแนะนำมาอันนี้เป็นแนวแถวของพุท ธ, ธ ดือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านผ่านมาแล้วแต่พวกเราท่านทางหลายผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างผมเองผมก็มองไม่เห็นอย่างอื่นที่ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าว่าสติเลื่อนลอยขาดสติภาคปฏิบัติมองไม่เห็นเลยว่าจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ เพรานะนัเรื่องสติเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนจนถึงดับทุกข์โดยชอบหรือว่าพ้นทุก์ในวัฏะสงสารชำระกิเลศไม่มาเวียนว่ายตายเกิดก็ออกไปจากสติออกจากปัญญาอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดว่ามหาสติมหาปัญญา เรียกว่าสมัยนี้ว่าอัตโนมัติเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันพร้อมโดยอัตโนมัติมันรอบครอบโดยอัตโนมัติมันไม่เผลอดยอัตโนมัติมันรอบรู้โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นได้มันต้องอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำได้บ้างเสียบ้างหลุดบ้างขาดบ้างเกินบ้างผิดบ้างถูกบ้างลองผิดลองถูกจับผิดจับถูกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราทําอยู่ทุกวันนี้ แต่อีกกระยะหนึ่งที่เรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามมีความตั้งใจจริงพยายามตั้งสติให้เข้มงวดเข้าไปเรื่อยๆสติตัวนี้มันจะกลายเป็นอัตโนมัติพอนั่งสมาธิหรือไม่นั่งสมาธิก็ดี มันจะเห็นผลหรือมันจะเห็นสปรพคุณและเห็นบุญคุณของการมีสติเมื่อจิตมีสติเหมือนกับคนอยู่ในบ้านใครจะมาเพ่นผ่านมาจะมาเข้ามาในหมู่บ้านจะมาในบ้านเรือนของเราเราก็รู้ได้ทั้งหมดเพราะเราอยู่ในบ้านไม่มีเผลอถ้าหากว่า เราขาดสติเหมือนกับเรานอนหลับหรือเราออกจากบ้านไปใครจะมาในทิศทั้งสี่จะทำอะไรเจ้าของบ้านก็ไม่รู้เพราะว่านี้ออกจากบ้านไปแล้วหรือ น, นอนหลับเพราะนั้นเรื่องสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ท่านเคยเน้นหนะัก ถ้ามีศรัทธามากศรัทธานั้นจะไปในทางไหนถ้าศรัทธานั้นเป็นสมาธิศรัธากศรัทธานั้นก็ไปในทางที่ถูกต้องแต่เป็นมิจฉาทิฐิศรัทธาความเชื่อในสางที่ปิดทําให้เสียหายได้ถ้าปัญญามากปัญญาเป็นสมาธิิหรือปัญญาเป็นมิจฉาทิฐิ ถ้าปัญญาเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ททำให้เสียหายได้ถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองได้ความเพียรก็เหมือนกันถ้าเพียรไปในทางที่ผิดก็เสียหายได้ถ้าเพียรไปในทางที่ถูกก็ดีได้ดีมากขันติก็เหมือนกัน ถ้าใช้คันตีไปใดทางที่ปิดก็เสียหายมากถ้าใช้คันตีไปทางที่ถูกสัมมาทิฏฐิก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าสติไม่มีทางเสียหายสตินี่ค่ายๆว่าเราไปอยู่ในสถานที่ขับขันแลวไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถ้าสติของเราพร้อม ปัญญาของเราพร้อมสติของเราพร้อมให้มองดูใจของตัวเองไม่ใช่ว่าจะติจ้องจะฆ่าคนอื่นสติที่จะทับจับผิดคนอื่นอันนั้นมันก็ผิดเหมือนกันแต่ว่าสตินี่คืออยู่ในใจถ้าเราจะปรับปรุงแก้ไขว่ามีสติความนึกคิดของเราไปในทางที่ปิดกึ่งในทางที่ถูกถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลา เป็นสติที่สัมมาทิฏฐิมีแต่ความเจริญสติคือความระลึกได้สำไปชัญญะคือความรู้ตัวการที่จะภาวนาในเรื่องสติเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญอย่างจริงเป็นพื้นฐานเป็นเบื้องต้นถ้าขาดสติเมื่ อ, อไรจิตใจเลื่อนลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื่อกับตัวจิตใจคิดปุงฟงุ้งซ่าน แปลว่าหมดสภาพแล้วเพราะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่จำเป็นเราจะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามถ้าสติอยู่กับตัวเอง<ม>การทำการการทำการทำงานจึงนั้นก็เป็นสาระเป็นประโยชน์ไม่ผิดพลาด แต่ทางวันเราเผลอสติสติของเราไม่ดีแล้วโอกาสที่จะปิดพลาดมีมากนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเี่มาบวชในครั้งนี้ก็พยายามตั้งตัวโดวยตั้งตนอยู่ในสติอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันจะไปคิดถึงเรื่องอาวุโงอาหารหมูพวกเพื่อนการเที่ยวเทะเลล่อนหรือการอะไรก็ตามทิ้งไปก่อนเพราะเราได้เสียสละมาแล้ว เพราะนั้นเราให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้แน่วแน่ให้ศึกษาเราจะไม่เสียใจเมื่อภายหลังว่าเมื่อเขาบวชแล้วเรากลับไปคิดไปทางอื่นใช้ไปในทางอื่นทุ่มเทไปทางอื่นไม่ได้สนใจเท่าที่ควรทั้งที่มีโอกาสเราจะไม่เสียใจเมื่อภายหลังเพราะนั้น อย่างอื่นเราต้องทิ้งไ้ก่อนเรื่องความกลัวความอะไรก็ตามอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบ พ, พระเนนที่อยู่ในวัดของเราเนีเป็นเวลา2ี่สิบกว่าปีก็ไม่เคยมีอะไรแต่ทำไมเรามาอยู่ความกลัวมันจึงเกิดขึ้นโดยมากความกลัวนั้นเกิดจากอะไรโดยมากมันเกิดจาก การหลอกตัวเองจะมากกว่าไม่ใช่สิ่งอื่นที่จะมาหลอกเราใจของเราหลอกของเราเองว่าสิ่งนี้จะเกิดจึงนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะอยู่ที่นั่นมันจะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ในครั้งก่อนที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาท่านอยู่ในป่ารงพงไพท่านก็เคยสู้กับความกลวัวอย่างพวกเราเจอพวกเราพบอยู่อย่างนี้เหมือนกัน แต่ว่าท่านไม่ได้นอนขดคูอยู่ที่ในกรดหรืออยู่ในห้องอย่างเดียวบางทีท่านนึกกลัวขึ้นมาว่าเสือคงจะอยู่ตรงนั้นมันอยู่จริงเหรอกินให้มันกินเลยสิเอาเดินไปหาจุดนั้นมันก็บอกว่าเอ๊ะมันคุ่นอยู่จุดนั้นเอาเดินไปอีกจุดนั้นอีกผลที่สุด มันมีแต่เรื่องหลอกตัวเองอันนี้ก็คือเอาชนะความกลัวของตัวเองได้เพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านออกเที่ยวทุดงในป่าดงพงไพรท่านก็เคยเจออย่างนี้เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเองผมก็เคยอย่างนี้เหมือนกันบางทีอยู่ป่าดงพงไพรห่างไกลจากหมู่บ้านเป็นทั้งสามสี่หกิโลหกกิโล อยู่ในถ้าอยู่ในป่าดงพงไผ่เสี่ยงภัยอันตรายมากถ่ายจะว่าไปแล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ํากลางคืนจะเรียกร้องหาใครถ้ามันจะคิดมันก็คิดร้อยแปแต่ถ้าเราตัดมันซะเรากลัวอะไรกลัวเสือกลัวช้างกลัวผีกลัวคนกลัวอะไร กลัวการเจ็บไข้เดรป่วยผลที่สุดเรากลัวตายใช่ไหมถามเข้ามากลัวตายใช่ไหมมันก็ตองบว่าใช่ผลที่สุดที่สุดคือคือความกลัวตายถ้าเรากลัวตายเราจะไปอยู่ที่ไหนพ้นถามดูสิไปอยู่กับวงสาการายาทไปอยู่กับหมอไปอยู่กับที่ไหนมันพ้นไหมความตายไม่พ้น ถึงคราวันแล้วก็ปูย่าตาทวดของเราผู้เกิดก่อนก็ตายไปก่อนพวกเราก็คงจะเดินตามหลังเขาไปเรื่อยๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละชีวิตของคนเราท้าเราพิจ า, นานรณาดูให้ดีแล้วก็คือกลัวความตายนั่นเองแล้วก็ถามว่าความตายนั้นเราจะหนีไปที่ไหนพ้น ในเหมือนี่หนีไปไม่พ้นแล้วจะไปกลัวทําไมเกิดที่ไหนมันก็ตายที่นั่นพร้อมที่จะตายได้ทุกโอกาสทุกเวลาถึงจะกลัวแล้วมีกลัวก็มีคุณค่าเท่าเก่าแตจะไปกลัวมันทํำไมอันนี้ก็คือใช้ปัญญาหั ก, กล้างความกลัวของตัวเองเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ย ดวูการเอาชนะจิตใจของตัวเองเนี่ยมันมีหลายแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่มีอะไรในวัดของเราอย่างที่เห็นมาหลายวันอยู่มาหลายวันกข้อสําคัญให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาเท่านั้นคือจิตคือจุดหมายปลายทางที่ผมรับหมู่พวกเพื่อนเอาไว้ แต่ตามไม่จริงผมเองถ้าจะว่าการเป็นอยู่ก็อยู่แบบพวกเราท่านทั้งหลายได้พบได้เห็นได้เจอกันนี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้สอนอย่างอื่นพิชายอย่างอื่นผมก็ไม่ได้สอนหมู่พวกเพื่อนแต่แนวแถวภาคปฏิบัตินี้ผมใส่ใจผมสอน เพราะว่าผมบวชมาแต่เล็กแต่น้อยอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปูง่หลวงตามีแต่เรื่องสอนเรื่องกิจตโพนาจากนั้นก็มาศึกษาเรื่องภาคปริยัตยในพระไตรปิฎกประกอบกันทั้งปริยัตยทั้งปฏิบัติเพราะนั้นผมจึงไม่ได้สอนวิชาอย่างอื่นสอนแต่เรื่อง ศีล ส, สมาธิปัญญาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตะภาวนาเป็นสิ่งที่เน้นหนักอย่างมากเพราะทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจดีสียอย่างฝึกหัดใจดีแล้วมีแต่ทำความสุขมาให้ถ้าใจของเราคึกครองรจิตใจของเราโมโหโทโสใจของเราเป็นเปรตเป็นผีใจของเรา มีแต่ความโลภความโกรธความหลงใจของเรามีแต่ความคึกขนองไม่ได้ฝึกฝนทางจิตใจไม่ได้ดูใจของตัวเองไม่ได้ฝึกสมาธิให้จิตใจสงบคนเรานี่ยจะหาความสงบร้มเย็นผาสุกแต่ยากอย่าไปคิดว่าเงินคำทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ จะให้ความสุขแก่เราทางว่าเราไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจทางว่าเราฝึกทางด้านจิตใจด้วยการเป็นอยู่ด้วยรู้เท่ารู้ทันรู้เหตุรู้ผลรู้จักการรู้จักการวางตัวไปในสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับรู้จักโลกธรรมนินทาเสนอเสือนสุข รู้จักการปรับตัวเ ข, าเข้ากับโลกกระทำไม่ยินดีไม่ยินร้ายส่วนที่ปรารถนาในส่วนที่ไม่ปรารถนาถ้าเรามีความพอดีในการปรับตัวกับสิ่งเหล่านั้นได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเราคิดดูกันแล้วกันคนที่ มีทรัพย์สมบัติมากๆความรู้สูงสูงแต่บางทนก็ฆ่าตัวเองตายก็มีโดดตึกตายก็มีสรุปแล้วก็คือทาที่สิ่งไม่เหมาะไม่สมมีมากเพราะเหตุไรก็เพราะใจเขาไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมจิตใจไม่รู้จักธรรมะเราเกิดมาแล้วมีอะไร ถ้าว่าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วนั่นแหะรู้จักปล่อยรู้จักวางโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราไม่เกิดเราจะไปทุกข์กับมันจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าใจขอไม่ว่าใจเราทุกเสียงทุกอย่างเราก็ต้องถึงก็ปล่อยวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวกเราที่เป็นหนุ่มอย่างเนี้ย เรื่องผิดบง่งเรื่องผิดหวังอะไรก็ตามมันต้องมีอยู่ในหัวใจของแต่ละคนทั้งหมดจะให้สมหวังทุกอย่างเป็นไปไม่ได้โลกอันนี้มันโลกผิดหวังโลกอนิจจังโลกของไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าวางเอาไว้แล้วถึงท่านจะไม่พูดก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นถาาว่าพวกเรารู้จักปรับปรุงแก้ไข กายวา่าใจของเราโดยเฉพาะใจของเรานะั่นผมว่าพวกเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขคือเอาธรรมะเข้ามาประคับประคองเลามาปรปรุงแก้ไขใจของเราเพราะนั้นเรื่องสมาธิทำเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาทบทวนดูทางด้านปัญญาเห็นร่างกายเห็นจิตใจ ในสติประฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมจากนั้นรู้จักปล่อยรู้จักวางคำว่าวางไม่ใช่วางที่อื่นนะผมเคยพูดอยู่เสมอคำว่าวางไม่ใช่ ว, า, วางปล่อยปะกละเลยไม่สนใจกับอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าปล่อยวางปล่อยวางที่ใจถ้าภายนอกเราจึงทำอย่างผมเนี่ยที่เป็นหัวหน้าวัดผมจะปล่อยปาะ ปล่อยวางจนไม่สนใจอะไรเลยเป็นไปไม่ได้นะปล่อยวางแบบคนโง่ปล่อยวางแบบไม่เอาฐานปล่อยวางแบบไม่สนใจกับอะไรแต่สิ่งภายนอกเราก็ต้องทําให้ถูกตามกฎเกณฑ์ทําให้ถูกต้องตามหลักธรรมภายในทำให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีโลกสมมุตินิยมทําให้ถูกต้องเป็นธรรม แต่ส่วนลึกของหัวใจนั้นเราต้องปล่อยวางสมมติ ว, ว่าการกระทําของเราออกมาแต่เช้ามดืดเราก็ทําหน้าที่อะไรทำํำแนะนําสั่งสอนอะไรบินทบาทอะไรฉันอะไรปัดกวาดทาความสะอาดที่จะพูดเสียงอะไรเราก็ทําให้ถูกต้องตามธรรมตามวิมไไนัยถูกกฎเกณฑ์แต่ทในี้เมื่อเรานั่งภาวนา เราก็ต้องพยายามปล่อยวางในใจว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานี่นะเราทําเพื่อให้มันถูกต้องให้เป็นธรรมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราเอาไปด้วยไม่ได้นะถึงจะเราจะสร้างวัดวาศาสนาข น, นาดไหนก็เถอะเมื่อเราตายแล้วก็เอาเราเอาไปด้วยไม่ได้เพราะฉนั้นเราจะเป็นหนักใจกับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปมันก็ไม่ถูกนะยศ ถ, ถาบรรดาศัก์ ร่างกายของเราทุกส่วนตั้งแต่กระดูกของเราเราก็ยังต้องทิ้งมาในโลกเอาไปด้วยไม่ได้ไม่ต้องคิดถึงอย่างอื่นเพราะนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางนะแค่ว่ามันวางอยู่ที่ใจให้รู้จักนี่แหละครวักปล่อยวางถ้าคนรู้จักปล่อยวางอย่างนี้แล้วมันจะไม่เครียดนะมันจะไม่เป็นบ้าถ้าคนไม่รู้จักปล่อยวางในจิตในใจนี้จิตใจจะกลุ่ม เสีย อ, อกเสียใจโมโหโท่โสเจ้าว่าในโลกจักรวาลนี่อยากจะให้มันได้อย่างใจเราหมดไอ้เขาอยากจะให้มันถูกใจเราหมดไอ้มันได้อย่างใจเขาหมดจะให้มัน เ, เรื่องราวทั้งหล า, ล า, า, ลายจะให้มันได้อย่างใจเราเมันได้อย่างไร ใ, ใจของเราคนยังไม่ได้อย่างใจโล ก, กอ น, นี้เป็นโลกอันตรจังมันไม่เที่ยงอยู่แล้วกระดูกของเราคนจังเอาไปด้วยไม่ได้เห็นไหมตายไปแล้วก็กอง อยู่ในเมนเอาไปหวา น, วานลงร อ, อยอังคารกันไม่วัดไม่ไหวไม่เห็นใครเอาไปด้วยได้เพราะนั้นใจของเราเนะี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งพยายามปล่อยวางที่ใจนะปล่อยที่ใจวางที่ใจถ้าว่าใครปล่อยวางได้อย่างนั้นใจก็จะได้รับความร่มเย็นผาสุขอะไรก็ได้ที่เป็นศีลเป็นธรรม ถ้าไม่เป็นศีลไป่ําไม่ได้เพราะมันไม่ถูกถ้ามันถูกแล้วเอาได้หรือว่ามันไม่ถูกก็จริงอยู่แต่เราทําไปแล้วมันเสียหายมันจะทับถมเรามันจะเดือดอร้อนเราอะไรก็ได้ เ, เราต้รู้จักหลบรู้จักหลีกไม่ใช่ว่าเราจะชนไปหมดเวล้วจะรับไปหมดถ้าไม่ถูกเรเอาตัวหัวเด็ดตีน ข, า ด, ขาดก็ไม่ใช่อย่างนั้น อันนั้นเขาก็ว่าโง่ประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเราจ้องรู้จักกลบรู้จักกลีรู้จักเอาตัวรอดเป็นบางอย่างแต่เราเอาตัวรอดมากจนทำให้เสียหายประเทศชาติบ้านเมืองชุมชนสังคมหมู่พวกเพื่อนอันนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันทางว่าใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาอันไหนเหมาะสมอันไหนควรอย่างไรมากน้อยอย่างไรแค่ไหน มันน่าดูน่าชมทั้งนั้นแหละถ้าวันนี้แบบไม่เอาทานนี้แบบไม่สู้หนีแบบโง่เง่าเตาตุนดูแลมันก็ไม่น่าดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระเจ้าตเนวัฒน์สอนการเทศสบุคคลการสถานที่อัถถันยุตามัตตันยุตาปริสันยุตตาปุขระปรัปรันยุตตาสรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญา ในการเป็นอยู่ทบทวนความเหมาะสมไม่เหมาะสมแระพวกเราทุกๆท่านนะอย่าให้เน้นหนักเรื่องจิตภาวนานะบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นหลักกลางค่ำกลางคืนมาทําว่างถ้าได้พักผ่อนพอสมควรวก็เดินโยงกลมสามสี่ทุ่มนั่งภาวนาต่อจวนสว่างลุกมาเดินอีกครั้งหรือมานั่งภาวนายังค่อยมากลางวันกฟังว่างกเดินยงกลม ปฏิบัติทำไปด้วยถึงจะอยู่ในกุตติปภาวนาภาวนาไปด้วยนะให้มีสติสม่ำเสม อ, สม อ, สมอการอ่านหนังสือการดูหนังสือก็ควรจะมีบ้างอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่า20ส่วน80นั์นะจักจะให้ภาวนาปฏิบัติจะมากกว่าถ้าเรามีจิตหลักจิตหลักใจในภาคปฏิบัติ จิตของเราสงบได้สักสองสามครั้งหรือว่าครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยเราจะรู้ผลเราจะรู้เราจะรู้บุญคุณของพระพุทธศาสนาเราจะรู้บุญคุณของพระพุทธเจ้ารู้บุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอบรมแนะนําสั่งสอนเราแต่ถ้าว่าเราจิตใจของเราไม่เคยสงบเลยมาอยู่บางทีเราอาจจะคิดไปว่า กรรมาฐานกันหลอกหลอกกันไปเป็นวันๆอย่างนั้นแหละเหมือนกับคนไปหาเงินไปหาขุดทองไม่ไม่ได้อย่างนั้นถ้าคนเขาขุดทองได้เขาก็เออเชื่อมั่นว่าเออเขาแนะนํามาขุดทองเนี่ยได้จริงๆมีเม็ดทองจริงๆไอ้คนที่มามาแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเดินไปเดินมาขุดทองไม่ได้อเขาหลอกเราเฉยๆแล้วผมไม่มีอะไรแล้ว พุทธศาสนาเนี่ยผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะศาสนาของพุทธพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมปฏิบัติจริงจังแล้วผู้นั้นจะเห็นจะรู้ได้ด้วยตนเองจนเราจะนึกว่าโอ้โหทำไมพระพุทธเจ้าถึงฉลาดขนาดนี้พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติได้อย่างไร แต่เราเพียงกิจสงบเพียงแค่นี้เราก็มีความสุขขนาดนี้แล้วธรรมะขั้นอื่นที่เราปฏิบัติถึงมากไปกว่านี้ mm hmm. เราจะมีความสุขขนาดไหน mm hmm. นัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพ mm hmm. ระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้น mm hmm. แต่เราเห็นแต่ความสุขอย่างอื่น mm hmm. การกิน mm hmm. การหลับการนอน การมีความพออกพอใจในสิ่งที่เราได้พบได้เห็นได้สัมผัสเราก็มีความสุขแต่ความสุขแห่งจิตสงบนั้นพวกเรายังไม่พบไม่เจอเพราะนั้นการบวชในครั้งนี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพยายามไม่เอาจิงเอาจังการขํามการคืนพยายามนั่งภาวนาให้มากเท่าที่จะมากได้นะในตอนนี้ไปฟังเทศ นั่งสมาธิ